พระบัญญัติ275ก็ภิกษุใดกล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือในนิคมแล้วให้ทายกถวายหรือไม่ให้ทายกถวายแก่เธอแล้วนิมนต์กลับด้วยกล่าววา่าท่านจงกลับไปเถิดพูดหรือนั่งกับท่านไม่ทำให้เราสบายเราพูดหรือนั่งคนเดียวสบายกว่ามีเหตุผลเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรอื่นต้องอบัตปาจิตติ เรื่องพระอุปนันท์สากะยะบุตรจบ